เจรินพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15เมษายนพุทธศัการาช2550เป็นวันที่3ของวันหยุดเทศกาลสงกรานเป็นเวลาที่เหมาะแก่การทำบุญทำกุศล เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณมีประโยชน์ให้กับชีวิตจิตใจของเราเท่ากับบุญและกุศลถ้าเรามีบุญมีกุศลมากน้อยเพียงไรเราก็จะมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจมีความปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆที่จะมาเหยียบย่ำจิตใ จ, จ เพราะบุญกุศลนิแลเป็นเกราะคุ้มกันป้องกันไม่ให้จิตใจต้องถูกทุกข์ภัยต่างๆเหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองจิตใจได้เท่ากับบุญและกุศลต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาหรือเป็น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีก็ยังไม่สามารถป้องกันให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้นายกยังร้องไห้ได้ยังเครียดได้ประธานาธิบดีก็ยังร้องไห้และยังเครียดได้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เครียดท่านไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิน้น เพราะจิตใจของท่านมีบุญกุศลคอยคุ้มครองคอยปกป้องไม่ให้ทุกข์ต่างๆเข้ามาสู่จิตใจนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ประเสริฐคือบุญและกุศลนี้ไม่ได้เป็นสิ่งอย่างอื่นสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นวัตถุไม่มีอะไรวิเศษวิโสในตัววัตถุ มีแต่เราสมมุติมันขึ้นมาว่ามันวิเศษอย่างนั้นมันวิเศษอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็เป็นเพียงดินน้ําลมไฟเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่รวมทั้งร่างกายของเราให้กลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟ ถ้าเราไม่มีบุญมีกุศลเวลาที่เราจะต้องคืนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปจิตใจของเราจะวุ่นวายจะทุกข์อย่างมากจะกินไม่ได้นอยไม่หรับแต่ถ้าเราได้สะสมบุญสะสมกุศลไว้ในจิตใจแล้วเราจะมีที่พึ่งทางใจเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ขาดที่พึ่งแต่อย่างใด เพราะบุญและกุศลนี้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนชาติไหนพบไหนบุญกุศลก็จะไปดูแลเราตลอดเวลาส่วนสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ในชาตินี้หรือคนต่างๆที่เรามีอยู่ในชาตินี้จะไม่ได้ติดตามเราไป เขาไม่สามารถเดินทางไปกับเราได้อย่างมากเขาก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญให้กับเราไปซึ่งเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเงินค่ารถเท่านั้นเองบุญอุทิศนี้ไม่ได้เป็นบุญที่ใหญ่โตเหมือนกับบุญที่เราทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บุญที่เราทำอยู่นี้ทำทั้งร้อยก็ได้ทั้งร้อย แต่บุญทูตที่เราอุทิศนี้เราทำร้อยก็อุทิศได้เพียงหนึ่งในร้อยเท่านั้นเองส่วนใน99ส่วนนั้นก็เป็นของผู้ผู้ทำนะเพราะฐานะของผู้ที่จะรับบุญอุทิศนี้มีไม่มากเหมือนกับมีภาชนะที่จะรองรับน้าที่เราจะให้กับเขานี้ไม่ไม่ใหญ่นั่นเอง เป็นเพียงแก้วใ บ, วบหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นแท้งเป็นถังใหญ่ๆจึงไม่สามารถรับบุญที่เราทำทั้งหมดนี้ได้รับไปพอที่จะช่วยส่งให้ไปเกิดไปสวยบุญสวยกรรมต่อไปเท่านั้นเองนะ <Yeah. S 1> ดังนั้นเราจึงอย่าหลงทางอย่าหลงยึดติดอย่าหลง กับสิ่งต่างๆในโลกนี้มากจนเกินไปเราได้สัมผัสมันมาแล้วมากมายกายกองถ้ามันจะทำให้เราพ้นทุกข์เราก็ควรจะพ้นทุกข์ไปได้นานแล้วแต่ทุกวันนี้เรากลับมีความทุกข์มากยิ่งกว่าสมัยที่เราเป็นเด็กๆเพราะเรามีสิ่งต่างๆมากขึ้นมานั่นเองพอมีสิ่งต่างๆมากขึ้นมาก็มีความยึดติดมากขึ้นไปมีความทุกข์มากขึ้นไป ต้องแบกสิ่งต่างๆไว้ในอกในใจไม่เหมือนสมัยตอนที่เป็นเด็กๆวันๆหนึ่งไม่มีอะไรที่จะต้องมายึดมาติดเพียงแต่ขอมีอะไรเล่นมีอะไรกินแล้วได้นอนก็มีความสุขแล้วแต่พอโตขึ้นมากิเลสมันก็โตตามขึ้นมาด้วยมันก็หลอกให้เราไปหาสิ่งนั้นมาหาสิ่งนี้มา บอกเราว่าได้ได้มามากๆแล้วจะมีความสุขเราก็ไปหามาอย่างไม่รู้จากเหน็ดจากเหนื่อยพอได้มาแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆเพราะว่าบางทีสิ่งต่างๆที่ได้มาก็ไม่ได้ให้ความสุขดังใจอยากได้มาแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้แทนที่จะให้ความสุขกับกายเป็นความทุกข์ไป ก็ต้องไปหาใหม่มาอยู่เรื่อยๆหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ยังต้องทุกข์กับสิ่งที่หามาถ้าได้มาตามความอยากสิ่งที่ได้มาเป็นสิ่งที่ดีตามความอยากก็เกิดความเสียดายเกิดความหวงแหนไม่อยากจะให้จากเราไปก็ต้องหวงต้องกังวลเวลาที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่เรารักเราชอบที่ดีกับเรา เราก็จะกังวลไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีเกิดได้ก็มีดับได้มาได้ก็ไปได้นี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเราเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรา ถูกหลอกให้ไปหามานั้นไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่แถมความทุกมาให้อีกมากมายก่ายกองแต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลเราจะมีสิ่งที่จะช่วยให้เราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติด ถึงแม้เราจะมีอะไรมากน้อยเพียงไรเราก็จะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นไปตามความจริงของเขาเราไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าความเป็นจริงของเขาถ้าเขาดีก็ดีไปถ้าเขาไม่ดีก็ไม่เป็นไรเรารับได้ทั้งสองอย่างถ้าเขาอยู่ก็อยู่ไปถ้าเขาจะจากไปก็จากไปได้ เพราะเรามีปัญญานั่นเองเรารู้ว่าถ้าเราไปยึดไปติดกับอะไรแล้วเราจะต้องมีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ด้วยกันก็ไม่ทุกข์จากกันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ามีความยึดความติดอยู่ด้วยกันก็ทุกข์อยู่จากกันก็ทุกข์เพราะความหลงนั้น ทำให้เราอยากไม่รู้จักพอและไม่มองตามความจริงมีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้สึกว่าดีพออยากจะให้ดีกว่านี้มีสามีก็อยากจะให้ดีกว่านี้มีภรรยาก็อยากจะให้ดีกว่านี้มีลูกก็อยากจะให้ดีกว่านี้ไม่เคยมองความจริงเลยว่าเขาดีได้เท่านี้เขาเป็นได้เท่านี้เท่านั้นเอง ถ้าเขาดีกว่านี้ได้เขาก็ดีไปตั้งนานแล้วไม่ต้องให้เรามาคอยเขี้ยวเข็นไม่ต้องให้เรามาคอยบ่นมาว่าแต่เป็นเพราะว่าคนเราทำบุญทำกรรมมามากน้อยไม่เท่าเทียมกันนั่นเองทุกคนเมื่อทำไปแล้วก็ต้องมารับผลของบุญและกรรมที่ตนเองได้ทำไว้จึงทำให้เป็นคนที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง ผสมกันไปในตัวคนเดียวกันนั่นและมีทั้งความดีและมีทั้งความไม่ดีเวลาเราอยู่กับใครก็อย่าไปมองในส่วนที่ไม่ดีเพราะจะทำให้เราไม่สบายใจมองในส่วนที่ดีแล้วเราจะสบายใจและต้องมองในส่วนที่ในในเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว พอเขาจากเราไปเราก็จะเสียเสียอกเสียใจแต่ถ้าเรามองว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้เราจะมีความสุขเวลาอยู่ร่วมกันก็ให้ความเมตตาต่อกันมีความรักกันมีความกรุณาสงสารกันเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันมีปัญหาอะไร พอที่จะช่วยแก้กันได้ก็ช่วยแก้กันไปอย่ามาด่าอย่ามาว่ากันไม่เกิดประโยชน์อะไรมาแก้ปัญหาดีกว่าความผิดพลาดนั้นะเกิดเกิดขึ้นกันได้ทุกคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่ามาโทษอย่ามาว่ากันเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสอนกันได้ว่าเพราะทำอย่างนี้จึงทำให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมา ต่อไปก็อย่าไปทากันแล้วกันแต่อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหเวลาใครทําอะไรผิดพลาดสร้างความเสียหายขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเวลาเราโกรธเรากับทุกข์กับวุ่นวายไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติสันหน่อยมีปัญญาสันหน่อยเราก็ต้องแยกตัวเราออกจากคนอื่นคนอื่นจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเขา ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเพราะช่วยอย่างไรบางทีก็ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมแม้แต่ตัวเราเองบางทีก็ยังช่วยไม่ได้เลยบางทีเราอยากจะให้ตัวเราดีกว่านี้เราก็ยังทําไม่ได้เลย เช่เรามาอยู่วัดกันได้บ้างหรือเปล่าเราก็ยังทำกันไม่ได้ถือศีลแปดกันได้หรือเปล่าก็ยังถือกันไม่ได้แล้วเรื่องของคนอื่นเราจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าเรารู้ว่าอะไรดีก็สอนกันได้บอกกันได้ถ้าเขารับไปก็เป็นประโยชน์เป็นบุญกับเขา ถ้าเขาไม่ยินดีไม่ต้องการก็ไม่เสียหายอะไรเขานั่นแหละจะต้องเป็นผู้ที่เสียหายถ้าเขาไม่ทำความดีทำแต่สิ่งที่ไม่ดีผลมันย่อมเกิดกับคนที่ทำคนที่ไม่ทำนั้นไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่เพราะความหลงเพราะความทำให้เรารักทำให้เรายึดเราติดทำให้เราห่วง คนที่ใกล้ตัวเราเช่นสามีหรือภรรยาเราลูกของเราญาติพี่น้องของเราเราก็อยากจะให้เขาดีแต่ความอยากของเราบางทีก็ทําทให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีไปคือไปเจีย๊ยไปจ้าจี้จ้ำชัยไปพูดไปบน่นจนกระทั่งเขาลขาคาญจนกระทั่งเขาไม่อยากจะเจอหน้าเราเวลาเราสอนใครเราต้องรู้จักประมาณ พูดพอสมควรพูดพอให้รู้เรื่องพอรู้แล้วก็จบไม่ต้องไปพูดซ้ำซ้ซักๆา ก, าก เ, เพราะถ้าเขาอยากจะทำเขาทำไปนานแล้วถ้าก็ไม่อยากจะทำเขาก็ไม่ทำอยู่นั่นแหละต่อให้พูดอีกกี่ร้อยครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและแทนที่เขาจะเห็นบุญเห็นคุณเขากลับเกิดความเกลียดชังเราไม่อยากจะ ฟังเราพูดไม่อยากจะเห็นหน้าเราแล้วในที่สุดนี้ไม่ดีเขาก็ต้องหนีจากเราไปทั้งๆที่เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแต่การกระทาของเรานั่นเองที่ทำให้เขาต้องจากเราไปเพราะเขาไม่มีความสุขเวลาเห็นหน้าเราทีไรก็เป็นหน้ายักหน้ามานใส่เขาทุกทีแทนที่จะเป็นพระเป็น เป็นแม่พระเป็นพ่อพระก็เป็นยักษ์เป็นมารใส่เขาดังนั้นเราต้องดูตัวเราเองเป็นหลักว่าเรากำลังเป็นอย่างไรเรากำลังเป็นพระหรือเรากำลังเป็นยักษ์เนี่ยถ้าเรากำลังเป็นยักษ์เราต้องรีบมาแก้ไขเช่นเวลาเราโกรธใครเขาทำอะไรไม่ดีไม่ถูกใจเราเราก็โกรธความโกรธขึ้นมาเราอย่าไปแก้เขาอย่าไปว่าเขา เรารีบมาระ ง, งับความกโกรธในใจของเราก่อนเมื่อเราหายกโกรธแล้วค่อยมาพูดกันเพราะขณะที่พูดเวลาที่เราเกโกรธนั้นเขาจะไม่รับฟังเราอยู่ดีเพราะเราพูดด้วยอารมณ์พูดเพื่อจะเอาชนะกันเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของพวกเราเราขาดบุญขาดกุศลกันเพราะเราไม่ฟังเทศฟังธรรมกันเรามัวแต่ หาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองไปเที่ยวกันไปเล่นกันเมื่อหมดเงินหมดทองก็ไปหาเงินหาทองกันใหม่แล้วก็เที่ยวเล่นกันใหม่ก็วนไปอย่างนี้แล้วก็ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้วุ่นวายกับเรื่องนั้นวุ่นวายกับเรื่องนี้เพราะไม่มีบุญกุศลคอยปกป้องคุ้มครองเรานั่นเอง เราจึงต้องเข้าวัดกันเพราะพระพุทธเจ้ากำหนดวันพระขึ้นมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้เราได้มีเวลาปล่อยวางการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองแล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลกันสร้างความสุขให้กับจิตใจสร้างปัญญาความฉลาดให้กับจิตใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างเป็นสุขและเมื่อเรา ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดที่ใหม่ที่ดีกว่าเกา่าถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเกา่าเป็นคนที่ฉลาดกว่าเกา่ามีเงินทองมากกว่าเกา่าแต่ถ้าเราไม่ทําบุญทํากุศลเลยมัวแต่หาเงินหาทองแล้วก็ใช้เงินใช้ทองพอตายไปก็จะไม่มีบุญกุศลไว้ ดูแลเราไปเกิดข้างหน้าก็จะแย่กว่าเดิมเพราะว่าใช้บุญเก่าเสียหมดแล้วชาตินี้เรามีบุญเก่าเราจึงได้มีโอกาสหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองกันเพียงแต่เราใช้เงินใช้ทองไม่ถูกวิถีเท่านั้นเองแทนที่จะเอาเงินทองมาต่อบุญมาสร้างบุญไว้สําหรับชาติหน้าเราก็เอามาใช้เสียหมด ใครว่าเหมือนกับว่าเกิดมาชาตินี้มากินบุญเก่านั่นเองแต่ไม่คิดสร้างบุญใหม่พอไปข้างหน้าก็จะเป็นคนยากจนในเรื่องบุญและกุศลก็จะทำให้เกิดเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามนี่คือเรื่องของบุญของกุศลซึ่งพวกเราอาจจะ มองไม่เห็นกันก็อาจจะไม่เชื่อกันก็ได้แต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างแจ้งชัดจึงได้มาสั่งสอนพวกเราเพราะรู้ว่าพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นไม่มีทางจะเห็นได้นอกจากลืมตาขึ้นเท่านั้นถึงจะเห็นได้ พระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเราลืมตากันด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพราะนี่เป็นวิธีที่จะเปิดตาของเราให้สว่างขึ้นมาทําให้เราเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่คนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์มองเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราเป็นคนตาบอดกับก็มองไม่เห็นกันจึงมองไม่เห็นกันเหมือนถ้าลองหลับตาดูตอนนี้แล้วก็จะมองไม่เห็นอะไรคนที่หลับตากับคนที่ลืมตานั้นต่างกันฉันใด คนที่มีบุญมีกุศลกับคนที่ไม่มีบุญกุศลก็เป็นแบบนั้นเหมือนคนตาคนหลับตากับคนลืมตาเราจึงต้องมาเบิกตาตาในของเราให้ให้ให้ลืมขึ้นมาให้เห็นสิ่งต่างๆเมื่อเราเห็นแล้วเราจะไม่กล้าไปทำบาปอีกต่อไปเราจะอยากแต่ทำบุญอย่างเดียวเราจะไม่อยากเสียเวลากับการไปหาเงินหาทอง กับการไปใช้เงินใช้ทองเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเรากับการสะสมบุญและกุศลอย่างเดียวมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็บริจาคให้หมดเลยสละให้หมดเลยมีลูกมีเมียมีสา ม, ม, ม, ม, มีมีอะไรก็สละหมดเลยแล้วก็ออกบวชตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็น อย่างนั้นจึงมีความกล้าหาญที่จะตัดสิ่งต่างๆจะสละสิ่งต่างๆได้แต่พวกเรายัางมองไม่เห็นเราจึงต้องเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆเมื่อฟังบ่อยๆแล้วนำเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะมีอะไรต่างๆไว้ทำไมเพราะมีอะไรก็เท่ากับมีความทุกข์ ทันั้นการไม่มีอะไรนี่แหละเป็น ด, ดีที่สุดมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกขกับลูกคนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกเขาก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีกับภรรยากับลูกนี่ก็เห็นได้อย่างชัดชัดแต่ทำไมยังอยากจะมีกันนัก ก็เพราะความหลงนี่มีความมีอนุภาพมากมีกาลังมากความฉลาดคือปัญญาของเรามีน้อยถ้าเราไม่เสริมสร้างบุญกุศลคือปัญญาแล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามเราจะมีปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆ จนสักวันหนึ่งเราจะสามารถเอาชนะกำลังของความหลงได้เอาชนะความหลงได้เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถกำจัดมันได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับใจเราไปตลอด แต่เราต้องมีความกล้าหาญต้องมีความขยันที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเสียดายสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปหมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งมันไปเราจะทิ้งแบบไหนดีทิ้งแบบขาดทุนหรือทิ้งแบบกำไร ถ้าทิ้งแบบขาดทุนก็อยู่แบบไม่ทำบุญไม่ทำกุศลนั่นเองก็จะทิ้งแบบขาดทุนทิ้งแบบวุ่นวายทุ่งแบบเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราทิ้งแบบกําไรก็ทิ้งแบบการแบบทำบุญทำกุศลแล้วเราจะทิ้งแบบปล่อยวางเราจะทิ้งแบบสบายอกสบายใจ นี่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านทิ้งสิ่งต่างๆในโลกไปเวลาที่ท่านจากโลกนี้ไปท่านไม่เสียใจท่านไม่เสียดายอะไรท่านไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิน้นพวกเราทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าคิดดูให้ดีเพราะสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอกับวันนั้นทุกคนวันที่เราจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเราจะมีบุญกุศล ช่วยเราหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะไปหาบุญกุศลจากที่ไหนเพราะบุญกุศลนี่เป็นของใครของมันของพพระพุทธเจ้าก็เป็นของพพระพุทธเจ้าท่านแจกจ่ายให้เราไม่ได้ของเพื่อนของพี่ของน้องของพ่อของแม่ก็แจกจ่ายให้เราไม่ได้เพราะบุญกุศลนี่เป็นของใครของมันต้องสร้างกันขึ้นมาเองไม่มีใคร สร้างให้กันได้เราทำได้ทำไมเราไม่ทำแล้วเราจะมาเสียใจภายหลังจึงขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโกหกหอกลวงคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมากมายถึง 84,000 สพันพธรรมขันล้วนเป็นความจริงทั้งสิน้น ไม่มีคำใดคาหนึ่งคาใดที่เป็นคำเท็จเลยเราเชื่อได้อย่างแน่ใจเหมือนกับเราเชื่อหมอเวลาหมอให้ยาเรามารับประทานเราก็รับประทานยาทุกเม็ดที่หมอให้เรารับประทานเพราะเราเชื่อว่ายาที่หมอให้กับเรานี้จะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายไปได้ฉันใด คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาความทุกข์ใจของเรานั่นเองเราเชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติให้เราทาให้เราเสียสละให้เราละนั้นล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และเมื่อตายไป เราจะไม่เราจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลจนเต็มจนมีเต็มเปี่ยมอยู่ในภ า, ภายในหัวใจของเราแล้วจะไม่มีช่องว่างให้ความทุกข์เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราได้เลยจึงขอให้เราหมั่นศึกษาหมั่นฟังเทศฟังธรรมแล้วปฏิบัติตาม ถึงจะยากจะลำบากอย่างไรก็ขอให้คิดว่าเป็นความยากลําบากเพื่อความสุขในบ้านปลายดีกว่าความสุขความสะดวกสบายจากการกินจากการดื่มจากการเที่ยวจากการเล่นแล้วต้องไปทุกข์ในบ้านปลายขอให้เราลําบากในเบื้องต้นแล้วไปสบายในบ้านปลายดีกว่าสบายในเบื้องต้นแล้วต้องไปทุกข์ในบ้านปลาย เพรเมื่อถึงเวลานั้นความสุขต่างๆที่เราเคยได้สัมผัสนั้นมันหายไปหมดจะมีแต่ความทุกข์รุมเล้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราลำบากตอนนี้พอเรามีความสุขแล้วในตอนปลายความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลายัางขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปประพฤติปฏิบัติแล้วบุญและกุศลก็จะเป็นสมบัติของท่านเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแค้วคกราปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งป่วยอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระีะรัตนตรัย มีพระพุทธก็ทธระระสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแค็้วลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ